พระโพธิสัตว์นั้นอยู่ในพระคันกําหนดครบท้วนทศมาสิบเดือนแล้วก็ประสูตรจากพระคันของพระชนนีณสุธรรมราอุทยานเหมือนดวงจันทร์โลดออกจากหลืบเมฆนะเหมือนอย่างว่าดวงจันทร์เพนเนี่ยนะมีเมฆมาปิดบังฉันใดตอนที่อยู่ในครันก็ฉันนั้นพอคลอดจากครันก็เหมือนกับดวงจันทร์ที่เมฆเคลื่อนย้ายพัดไปก็เห็นได้เด่นชัดฉันใด พระโพธิสัตว์ตอนที่ประสูติออกมาพระองค์ก็งามเด่นฉะนั้นปาฏิหาริย์เนี่ยนะคือปรากฏการณ์ที่น่าอัศจรรย์32ประการเป็นต้นเนี่ยนะในขณะปฏิสนธิประสูติจากพระครันก็มีเหมือนที่กล่าวแล้วในทีปังกรพุทธวงศ์พระโพธิสัตว์ของเรานั้นเนี่ยนะขออภัยพระโพธิสัตว์โสพิตาพระพุทธองค์นั้นเนี่ยครองคารวาะวิสัยอยู่ประมาณหมื่นปี เมื่อพระโอรสพนามวสีหกุมารทรงถือกำเนิดในพระคันของพระนางมณิฯมักกิลาเทวีเนี่ยนะก็คนเดียวไล่ชื่อได้นะหรืออาจจะเรียกชื่อว่ามักกิลาก็ได้หรือว่ามณิลาอ่มักกิลาก็ได้พระอัครมเหสีนะซึ่งเป็นยอดหรือว่าเป็นหัวหน้าประธานของสนมนาสนารีประมาณเจ็ดหมื่นนาง หลังจากที่คลอดโอรสเห็นพระโอรสแล้วพระองค์ก็เห็นนิมิตสี่ประการเห็น น, น, นะนะที่จริงอ่ะท่านได้นิมิตครบอะไรนะห้าอย่างด้วยนะท่านได้เทวทูต น, น้อยๆขึ้นมาคือพระพระบุตรใช่ไหมมีบุตรก็คือหมายว่าเทวทูตองค์น้อยคลอดมาแล้วอันนี้เกิดเสร็จแล้วก็เห็นคนแก่เห็นคนป่วยเห็นคนตายแล้วก็เห็นนักบวชเนี่ยนะแต่ว่าโดยมากทั่วทวไปก็ คลอดลูกได้ลูกไม่ค่อยเรียกว่าเทวทูตสักเท่าไหรเพราะอะไรเพราะว่าความรักของบิดามารดาทั้งหลายก็จรดเยื่อในกระดูกก็เลยลืมว่าเป็นเป็นทุกข์เป็นเหตุแห่งทุกข์ใช่ไหมมีแต่ความภาพภูมิใจมีแต่ความปราบปลื้มใจเนี่ยนะเพราะว่าโดยปกติคนที่ไม่มีปัญหาครอบครัวเนี่ยนะครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนการได้ลูกนั้นถือว่าเรียกว่าเป็นนิมิต ท, ที่ดีของครอบครัวนั้นนั้นเนี่ยนะ แต่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายเมื่อได้ลูกเนี่ยนะก็คิดเลยว่าขนาดบุตรองค์เดียวนะความรักอย่างเพียงนี้ถ้ามีเป็นพันองค์จะขนาดไหนเนอะแล้วก็เห็นคนแก่เห็นคนป่วยเห็นคนตายแล้วก็เห็นนักบวชพระองค์ก็สังเวชใจบวชอยู่ในปราสาทอยู่นั่นแหละอธิษฐานบวชเลยคือพระโพธิสัตว์เนี่ยความที่ท่านเป็นผู้มีบุญเนี่ยแคบเอ่ยคําเดียวว่าใครก็ไม่ต้องเข้ามาคนก็ไม่กล้าเข้าหาแล้วละ่ะ พระองค์ก็อธิษฐานเป็นนักบวชอยู่ในปราสาทนั่นแหละเจริญอานาปานสติสมาธิในปราสาทนั้นนั่นแหละก็ได้ฌานสี่ส่งบำเพ็ญเพียรอยู่ในปราสาทนั่นแหละเนี่ยนะเจริญสมถเวิปัสนาพิจารณาธรรมะเป็นเครื่องช่วยบ่มโพธิญาณที่จะให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพิจรารณาโพธิปัจจัยธรรมประมาณเจวันต่อจากนั้นก็เสวยข้าวมะทุปายาตรส อ, อร่อยอย่างยิ่งของพระนาง ะมกคีรามหาเทวีถวายโอ้เนี่ยผู้ถวายเข้ามาทุปายาคก็อยู่ไม่ไกละนะอยู่ใกล้ก็เลยสบายเลยคร น, นี้ไม่ต้องไปหาลูกเศรษฐีที่ไหนแล้วหลังจากที่สวรเสร็จพระองค์ก็เกิดความคิดจิตคิดจะออกมหาทิเนศกรมอยากจะบวชว่าขอปราสาทที่ประดับตกแต่งแล้วนี้จงไปทางอากาศนะปราสาทก็ลอยไปเลยเนี่ยนะต่อหน้ามหาชนที่กาลังดูอยู่แล้ว แล้วก็ไปทำโพพฤกเอาไว้ตรงกลางแล้วก็ลงเนื้อแผ่นดินพวกสตรีเหล่านั้นเนี่ยนะและเมื่อเรานั่งนะักโคนต้นโพไม่ต้องมีคนบอกคนเหล่านั้นก็ลงจากปร า, าสาทกันเองพร้อมกับจิตดังนั้นปร า, าสาทก็เหาะจากราชนิเวศก็หอก็หะจากพระราชนิเวศของ พระสุธรรมราชขึ้นสู่อากาศเชกเช่นกับอัญชนะบรนพดสีเขียวปราศาสนั้นมีพื้นปราสาสประดับด้วยพวงดอกไม้ส่งกลิ่นหอมอบอวลเหมือนประดับประดาทั่วพื้นอ่ำพรเนี่ยนะเหมือนท้องฟ้านะรุ่งโรจน์เหมือนดวงทินกรคือดวงอาทิตย์กลมที่กระทำความงามเสมือนทานน้ําทองและดังดวงรัชนีกรในฤดูศาส มีขายกระเดงงามกระดิ่งงามวิจิตนานาชนิดห้อยย้อยเมื่อต้องลมก็ส่งเสียงไพเราะน่ารักน่าใครเหมือนดนตรีมีองค์ห้าที่ผู้ชำนาญเรลงด้วยเสียงไพเราะได้ยินกันมาแต่ไกลเสียงเพราะ เ, าเพราะเสียงที่ไพเราะนั้นก็ยังลงสู่โสดของสัตว์ทั้งหลายประหนึ่งถูกปเปล่าประลมทางอากาศอันไม่ไกลชายวันนะ อันงามของต้นไม้ไม่ต่ำนักไม่สูงนักในหมู่มนุษย์ที่ยืนเจรจาปราศัยกันอยู่ในบ้านเรือนทางสามแพร่งทามสีแพร่ ง, งในถนนเป็นต้นประหนึง่งดึงดูดสายตาของชนเหล่านั้นด้วยสีที่เล่นเรืองรองรุ่งโรจน์ไปด้วยรัตนะต่างๆคือกิง่งอันงามของต้นไม้และปานประหนึง่งโฆษณาบุญญาณุภาพก็ดำเนินไปตลอดพื้นคักนนานเนี่ยนะค อ, อากาศนะนะ แม้เหล่าสนมหน้าตะนารีณนะที่นั้นก็ขับกล่อมประสานเสียงด้วยเสียงอันไพเราแะแห่งดนตรีอย่างดีที่มีองค์ห้าเป็นการออกบวชพิเศษมากเลยนะเรียกว่าดนตรีล่ำสนันไปหมดสนมนารียังก่วาวแบบอะไรนะแบบงานบวชสมัยเราอ่ะนะงานบวชยุคนี้ดนตรีเป่าร้องประกาศนั่นแหละ เขาว่าได้ยินว่าแม้แต่กองทัพทั้งสี่เหล่าของพระองค์กงดงามด้วยอาพรคือดอกไม้ของหอมและผ้ามีสีสันต่างๆานะรวงรุ่งโรจน์เกิดจากประกายเครื่องอลังการและอาพรเครื่องประดับกายเวทล้อมปราศาสทางภาคพื้นแภาคอากาศดุดกองทัพถวยเทพดุดแผ่นธรณีที่งามน่าดูอย่างยิ่ง จากนั้นปราศาสตร์นั้นก็ทำต้นโพพฤกชื่อว่าต้นนาค่าที่สูงไม่8 8สศอกลำต้นตรงอวบ ก, กลมประดับด้วยดอกด้วยใบยอ่อนตูมวางไว้ตรงกลางแล้วก็ตั้งลงที่พื้นดินส่วนเหล่าสนมนาสนารีหญิงฟ้อนดำเป็นต้นใครๆไม่ได้ออกก็ลงจากปราศาสตรนั้นหลีกไปได้ยินว่าแม้พระโสพิตามหาบุรุษผู้งามด้วยคุณสมบัติเป็นอันมากทำมหาชนเป็นบริวารอย่างเดียว ยังวิชาสามให้เกิดขึ้นในยามทั้งสามแห่งราตรีนะนะก็คือ ว, วันวิสาขาก็ไปนั่งประทับที่โคนต้นโพตรัสรูนั่นเองส่วนกองกำลังของมารก็ไปตามทางที่ไปโดยกำลังธรรมดาของพระมหาบุรุษนั่นเองพระโพพระผู้มีพระภาคเจ้าโสพิตะทรงบรรลุพระสัมพโพธิญาณแล้ว ก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าเปล่งเสียงอุทานว่าอเนกชาติสังสารังมีความสุขขนาดนั้นท่านยังบอกว่าการเกิดเป็นทุกข์เหมัอนกันนะก็ให้รู้เถอะว่าผู้ที่จะตรัสรู้ธรรมนั้นไม่ใช่ผู้ตกรกรรมลําบากการเห็นทุกขาริยสัตว์ไม่ใช่ขณะที่ทุกข์แล้วจึงเห็นทุกข์ไม่เชื่อไปชวนคนทุกข์ให้ฟังทำดูสิไปบรรยายที่นั่นแหละกับคนที่กําลังป่วยงอมไม่สบายเนี่ยนิมนต์พระประเทศให้ฟังดูเถอะใครอยากฟังเท่าไรโรคเนี่ยนะ พระองค์ก็ยับยั้งอยู่นะใกล้ต้นโพรพรึกษ์เจสัปดาเนี่ยนก็นเชื่อเหรอลงเรืองเนี่ยตอนที่ไม่ป่วยกับป่วยเนี่ยนะไม่ป่วยฟังธรรมเยอะกว่านี่เพราะป่วยแล้ว ไ, ได้เรื่องในราวแล้วได้แต่ขี้บ่นนี่นะได้แต่บน่นไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมอะไรรอกนีนะบ่นให้คนอื่นฟังเรื่อยเปื่อยมันยากนะถ้าเราไม่สบายแล้วยากที่จะได้ฟังธรรมมันถ้าจะฟังธรรมศึกษาธรรมจะต้องรอให้ป่วยเลยป่วยแล้วโดยมากก็ช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้หรอกนนร่างกายยังคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วใจล่ะ นะเจ็บปวดนี้ในหน่อยใจมันก็ไปฟุ้งซ่านบางคนก็ บ, บน่นนะกันะทาบาปทํากรรมอะไรมานอว่าะมันจะหายไหมนี่จะรอดหรือเปล่าเนาะโมแต่สงสัยว่าจะไปหรือจะรอดเนี่ยนะนะโอเคอยู่แค่นั้นก็เลยไม่ได้คิดอริยสัจอะไรหรอกมันก็ต้องฝึกพยายามฝึกให้ดีๆมันอย่าลืมว่าคนที่มีความสุขเท่านั้นะ่ะที่จะเห็นธรรมไม่ใช่คนที่กําลังทุกข์กำลังเครียดเนี่ยนะนะมีคนที่กําลังเดือดร้อนแล้เป็นทุกข์บรรลุอยู่ไม่กี่คนนะ่ะ อย่างเช่นนางปตาจาราอะไรอยู่ไม่กี่เจ้าแต่โดยมากเป็นผู้ที่กําลังมีความสุขแล้วฟังธรรมแล้วตรัสรู้ธรรมอย่างที่ว่าเทวดากับมนุษย์ใครมีความสุขประกากันบอกเทวดามนุษย์หรือเทวดาบรรลุมากกว่ากันบอกว่าเทวดาระหว่างเทวดากับพรมไหนบรรลุมากกว่ากันบอกพรมบรรลุมากกว่กาเทวดายิ่งมีความสุขเท่าใดก็ใกล้การตรัสรู้เท่านั้นแต่การตรัสรู้ตรัสรู้ทุกนะไ ม, ไม่ได้ตรัสรู้ความสุข คือสังขารนะสุขที่เป็นสังขารแต่ตรัสรู้ความเป็นทุกข์ของสังขารตรัสรู้นิพพานที่เป็นสุขนั่นเองหลังจากที่พระองค์เนี่ยนะประทับอยู่ใกล้ต้นโพพฤกษ์เจ็สัปดากรับการอาราธนาของท้าวมหาพรหมตรวจดูด้วยพุทธจักษุว่าพระองค์จะแสดงธรรมแก่ใครก่อนหนาก็เห็นอสมาุมารและสุเนตะมารพระกนิตะภาดาต่างพระมารดาของพระองค์ เห็นน้องชายต่างแม่นะก็คือค น, น้องชายพ่อเดียวกันคนละแม่สองกุมารพระองค์นี้ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยสามารถแทงตลอดธรรมะอันละเอียดลุ่มลึกได้เอาเถิดเราจะแสดงธรรมแก่กุมารทั้งสองนี้แล้วก็เสด็จมาทางอากาศลงณนะสุธรรมราชอุทยานโปรดให้เจ้าพนักงานเข้าเฝ้าพระพนักงานเฝ้าอุทยานเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ให้ไปเรียกพระกุมารทั้งสองพระองค์มาแล้ว อันพระโ ก, กมานเนี่ยแวดล้อมด้วยบริวารห้อมล้อมมาพระองค์ก็ประกาศธรรมาจากท่ามกลางมหาชนอย่าลืมนะว่าคนมีบุญกําลังมีความสุขเพลิดเพลินเนี่ยเด็กเขาก็มาเรียกแล้วเนี่ยนะมาเรียกให้ไปเป็นพระอรหันต์เออมีบุญสักอย่างเดียวใช่ไหมยอยู่กําลังเพลิดเพลินอยู่นั้นมีผู้ที่ไปปฏิบัติเป็นพระพุทธเจ้าเขาก็มาเรียกมาเออมาได้แล้วมาถึงก็มานั่งบรรลุฟังธรรมบรรลุเลยเออมีบุญนี่มันดีอย่างนี้แหละแต่ทำหมดบุญเนี่ยยุ่งจริงเลย ไอ้ที่ป่วยก็หายไอ้ที่รักก็นายไอ้ที่ง่ายมันก็ยากนเนะเดือดร้อนไปหมดนะถ้าบาปมันให้ผลไอ้สิ่งที่ไม่มีปัญหามันก็มีปัญหาเดินไปดีๆมันยังหกล้มเลยอย่างง้นะไม่เรื่องไม่น่าเชื่อเลยอ่ะนะไม่น่าจะลม้มมันก็ลม้มปกติเขาวางเท้าก่อนนี้เอาหัวลงก่อนอย่างเงี้ยนะมันก็คือมันผิดอะไรมันผิดแปลกประหลาดไปหมดเลยนะ หลังที่มันเคยตั้งมันก็ตั้งไม่ได้และเข่าที่มันปกติมันก็งอ ง, ง่ายขยับง่ายมันก็ยากยากนะเป็นอย่างนี้แหละสังขารทั้งหลายหลังจากที่พระองค์ประกาศพระธรรมจกักรมันจึงกล่าวเป็นคาถาในพุทธวงศ์เล่า ว, ว่าต่อจากสมัยพระรของพระเรวตะพุทธเจ้าก็มีพระพุทธเจ้าพระนาะขอไปต่อจากสมัยพระเรวตะพุทธเจ้า ก็มีพระพุทธเจ้าพระนาวัโสพิตะผู้นำโลกผู้มีจิตตั้งมั่นมีจิตสงบไม่มีผู้เสมอไม่มีผู้เปรียบเทียบก็เกิดขึ้นพระชินเจ้าพระองค์นั้นทรงกลับพระหารุไทยในพระนิเวศเรียกว่าออกเนคขมมะในวังอะไรงี้ยออกเนคขมมะในวังในบ้านในปราสาทเดี๋แหละของพระองค์แล้วก็บรรลุพระโพธิญาณสิ้นเชิงประกาศพระธรรมจักรแล้ว บาลังของพระ อ, องค์ก็คือปราสาทเนี่ยนะปราสาทไปตั้งข้างต้นโพประทับนั่งบรรลุเออเออมีบุญจริงๆมีองค์เดียวหลังจากที่พระ อ, องค์ประกาศพระธรรมจักรบริษัทหมู่หนึ่งในระหว่างนี้คือเบื้องล่างตั้งแต่อาวจีนรกเบื้องบนตั้งแต่พวักกพร่มก็ได้มีการฟังธรรมเนี่ยนะก็คือทุกคนได้ยินได้ฟังเสียงพระธรรมหมดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศพระธรร ม, มจักร ณท่นะามกลางบริษัทนั้นอภิสมัยครั้งที่หนึ่งกล่าวไม่ได้ในจำนวนผู้ตรัสรู้เนี่ยนะก็คื อ, อคนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่ใช่ว่าวับขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าเลยเขามีชื่อเสียงมีอะไรมานานแล้ว เ่นพราะทุกคนได้รับพยากรมาตั้งอายุน้อยๆ้ใช่หมแบบบุรุษผู้นี้มีคติสองถ้าอยู่ครองเรือนจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิถ้าออกบวชจะเป็นพระพุทธเจ้าผู้มีหลังคาคือกิเลสในโลกอันเปิดแล้ว็นๆเขามีชื่อเสียงโฆษณากันทิ้งไว้เป็นหมื่นๆปีนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีการตรัสรู้เมื่อไหร่ประชุมชนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจึงมาพร้อมเพียงกันมาเพื่อฟังธรรม สรุปบอกว่าเปลี่ยนความคิดจากความเป็นปุถุชนภายในเจ็วันเท่านั้นก็บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าโอ้คาว่ากลับใจเนี่ยกลับดีนักแลกลับจากปุถุชนเป็นพระพระโสดาบันทัสสะคามีเป็นพระอนาคามีในที่สุดก็เป็นพระอรหันต์ตระสำ ม, มาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะกนะ็กลับใจจากปุถุชนเนี่ยนะใครจะเปลี่ยนใจหรือไม่เปลี่ยนใจก็ตามใจเนี่ยนะนะ ถ้าถ้าใครที่เปลี่ยนใจเปลี่ยนใจจากปุถุชนเพื่อเป็นพระอริยะมันน่าเปลี่ยนนะใจแบบนี้อนุรักษ์ไว้ทําไมเนี่ยนะความคิดเดิมเดิมเก่า ๆ, ๆที่มันไม่มีประโยชน์ทิ้งมันไปเถอะเนี่ยนะขนาดอย่างอื่นที่เราบอกว่ามันไม่ดีพร้อมที่จะทิ้งใช่ไหมความคิดไหนที่มันเลวร้ายชั่วร้ายเช่นความคิดแบบปุถุชนเนี่ยเลิกคิดซะเถอะพยายามที่จะคิดแบบพระโสดาบันท่านคิดอะไรกันนะชั้นแรกเราปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันใช่ไหมเราก็ต้องพยายามนึกสิว่าพระโสดาบันท่านคิดอะไรกัน ท่านคิดว่าอย่างไรท่านรู้อะไรเนี่ยนะเอาเอาโสดาบันที่ได้รับพยากรณ์นะโสดาบันแต่งตั้งเอาไว้ก่อนนะเพราะมีโสดาบันก็มีหลายประเภทเหมือนกันโสดาบันแต่งตั้งโสดาบันเสกกันเองอภิเษกกันเองมั่งว่ากันไปเองมั่งอะไรบั่งมีหลายกลุ่มด้วยกันแต่นี้เอาโสดาบันเช่นนางวิสาขาอนาถปินฑิกะเป็นต้นนะเอาเอาท่านเหล่านั้นน่ะท่านว่ากันยังไงอ่ะท่านรู้อะไรท่านคิดอะไรท่านตรัสรู้อะไรเป็นต้นเนี่ยเอาเอาโสดาบันมาตรฐานที่พระพุทธเจ้า ตรัสถึง น, นะเช่นพระอนอนท์เนี่ยนะตอนที่พระอนอนท์เป็นพระโสดาบันท่านคิดอะไรท่านพูดอะไรท่านว่าอย่างไรท่านรู้อะไรแล้วพระองค์พยากรณ์ว่าอย่างไรทําไมจึงตอบได้ว่าตัวเองเป็นพระโสดาบันเป็นต้นเนี่ยนะพยายามทําความเข้าใจจะได้กลับจิตกลับใจซะเนี่ยนะถ้าไม่กลับจิตใจจากปุตชนเป็นพระโสดาบันก็แสดงว่าไม่กลับใจจากนรกเหมือนนไม่เปลี่ยนใจที่จะตกนรกเนี่ยนะขอขอตกนรกต่อไปก็แล้วกันบอกก็เรามันปุตชน ถ้าแปลภาษาตรงตัวเลยนะก็เราผู้มีผู้บ่ายหน้าไปนรกเป็นธรรมดาจะให้ข้าพเจ้าทำดีได้ยังไงนะถ้าพูดแบบถ้าสมมุติาถ้าเราจะอธิบายเติมแต่งตามที่เขาวางไว้เนี่ยนะก็เรามันปุตุชนก็แปลว่าเขาบาปได้เขาทำบาปได้ก็เข้าเป็นปุตุชนก็แสดงว่าเขาพร้อมที่จะตกนรกเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นไม่ต้องห้ามการตกนรกของฉันหรอกฉันยินดีที่จะตกนรกเป็นต้นนะนะก็เรามันปุตตุชนเพราะฉะนั้น อนุรัก์ไว้ทําไมก็ไม่ทราบเนี่ยนะสาธุขอจะได้เห็นจะได้ยินจะได้พบปะเจอกันนะห่างกันไม่ดีเดี๋ยวติดเชื่อประเภทปูตุชนแบบนั้นเข้าเดือร้อนปกติมันก็เป็นอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าให้ดีก็ถ้าก็อยากจะเปลี่ยนจิตอยากจะกลับใจเหมือนกันกลับใจจากปูตุชนเป็นพระอริย บ, บุคคลพันใครที่บอกแหมฉันนี่เหมือนเดิมทุกอย่างปกติคงเดิม อุ๊อนุรักษ์ความเป็นปุถุชนได้สมบูรณ์แบบมากนะมันจะเป็นอย่างนั้นเลยถ้าเขบอกว่าบางคนเขาบอกเมื่อไรเมื่อไรเขาไม่เคยเปลี่ยนใจเลยนะใจเขาคงที่และคงเดิมว่าอะไรอนุรักษ์ได้ขนาดนั้นภาเวต่ประธรรมการเจริญกุศลธรรมมีแต่เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะไม่ใช่ว่าเมื่อไร่เมื่อไหรก็คงเดิมแห้งแล้งเหมือนเดิม จุดชืชดเหมือนเดิมอนนี้ไม่ใช่แนะ่นอนเขามีแต่ปีติปราโมทปีติปัสสัตทิสมาธิวิสุทธิแต่ละอย่างขาขาเขค่อยเจริญเติบโตขึ้นยิ่งๆขึ้นไปเขามีแต่อย่างนี้ไอ้ที่ถูกมันควรจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยไอ้ที่คงเดิมเนี่ยควรจะเป็นอะไรอมาตะนิพพานเท่านั้นแหละคงที่เนี่ยนะหรืออรหัตผลเท่านั้นแหละตาที่โนมั่นคง แต่ถ้าเป็นอย่างอื่นนะให้ให้พร้อมที่จะพัฒนาเธอบาปอากุศลก็เป็นปหานะถ้ามันลดได้เท่าไหร่ ย, ยิ่งดีกุศลถ้าเพิ่มเท่าไหร่ได้ยิ่งดีปีติปราโมทย์ในกุศลธรรมมากเท่าใดก็ยิ่งดีมันพยายามศึกษาเพื่อการกลับจิตกลับใจเนี่ยนะตรงนี้ท่านบอกว่าพระโพธิสัตว์ท่านเปลี่ยนใจล้มานสังวินิวัตเตียงพระโพธิสัตว์ยังเปลี่ยนใจเลยเปลี่ยนจากใจที่เป็นปุตุชนมากลายเป็น ใจของพระอาหารหันต์และเฉพาะเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าการแสดงธรรมจักครั้งแรกของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยนะชนที่ตรัสรู้อริยสัจใครใครกล่าวไม่ได้ด้วยการนับจํานวนว่าบรรลุไปกี่ท่านสมัยต่อมาเมื่อพระโสดภิตาพุทธเจ้าทำยมะกะปาติหานณโคนต้นจิตจิตตละปาตาลีกเรียกว่าจิตตะปาตาลี ใกล้ประตูกรุงสุทัศนะประทับนั่งแสดงอภิธรรมเนือพื้นบรรดุกรรมพลศิลาอาจนโคนต้นปริฉัตตะในภพดาวดึงอันเป็นพบที่สำเร็จด้วยนบพรัตน์เก้าประเภทและทองหลังจากจบเทสนาเทวดาเก้าหมื่นโกดตรัสรุธรรมอันนี้เป็นอภิสมัยครั้งที่สองกล่าวว่าเมื่อพระโสพิตะแสดงธรรมอยู่นั้น ต่อจากครั้งที่หนึ่งก็คือโดยเฉพาะอภิสมัยที่แสดงที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเทวดาประชุมกันบรรลุ9ก้า0มื่นโกดสมัยต่อมาพระราชกุมารพระนามวัชยะเสนาะณนะกรุงสุทัศนะทรงสร้างวิหารประมาณโยชหนึ่งวัดใหญ่มากเนี่ยนะทรงสร้างพระอารามทรงเวนไว้ระยะต้นไม้ไว้ดีเช่นต้นอโศกต้นสนจำปากถินพิมานบุญหน้าพิกลหอมมะม่วงขนุนอาสนะสาลา ม, มะลิวานมะม่วงหอมต้นพุธเป็นต้น ก็สร้างสิ่งเหล่านั้นมอบถวายแด่พิสุบส่์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำอนุโมทนาธรรมทรงสรนเสริญการบริจาคทานแล้วพระองค์ก็แสดงธรรมการแสดงธรงรมอนุโมทนาเสนาสนาทานเนี่ยนะก็มีผู้ได้ตรัสรู้แสนโกรดนี้เป็นอภิสมัยครั้งที่สให้รู้เท่ว่าที่บรรลุมากเนี่ยโดยมากเทวดาไม่ใช่หมายถึงมนุษย์เนี่ยนะ เพราะฉะนั้นจึงมีพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าตอนนั้นมาอีกพระเจ้าพระเจ้าราชบุตรพระนามวัชยเสนะทรงสร้างพระอารามมอบถวายพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นพระผู้มีจักสุเมื่อทรงสรรเสริญการบริจาคฐานการสร้างเสนาสนทานก็แสดงธรรมโปรดเจ้าร า, ราชบุตรนั้นครั้งนั้นก็มีการตรัสรู้ธรรมครั้งที่สมประมาณพันโกดพระราชาพระนามว่า อุคตะสร้างพระวิหารชื่อว่าสุนันทะในกรุงสุนันท h ถวายแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานในทานนั้นพระอาหารหันต์ร้อยโกดซึ่งบวช ด, ด้วยเอหิภพิคุอุปสัมปทาประชุมการพระผู้มีพระภาคโสพิตราก็ยกปาติโมขึ้นแสดงท่ามกลางพระอาหารหันต์เหล่านั้นนี้เป็นสาวกสันนิบาตประชุมสาวกอาหารหันต์ครั้งที่หนึ่งส่วนครั้งที่สองเนี่ยนะคณะธรรมในเมฆละนะครสร้าง มหาวิหารคณะธรรมก็คือคณะผู้ปฏิบัติธรรมสร้างมหาวิหารที่น่ารื่นรมอย่างดีในธรรมคนาธารามธรรมะคณะารามคณะประพฤติธรรมในถวายแด่พิสุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วก็ถวายทานพร้อมบริขารทุกอย่างในสมาคมนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงในสันนิบาตการประชุมผ้าอาหารเก้าหมื่นโกรธซึ่งมีการบวช ด, ด้วยเอหิพิกุภาวะนี้เป็นสันนิบาตครั้งที่ สส่วนครั้งที่สบอกว่าสมัยที่พระผู้มีพระพาตเจ้าทรงจำพรรษาณพบของเท้าศาสตสดเทวดาชั้นดาวดึงเนี่ยนะอันหมู่โทษอันหมู่เทพแวดล้อมเสด็จลงจากเทวโลกในดิถิปวารณาออกพรรษาผมก็ปวารณาพร้อมด้วยพระาหาันรประมาณ80เอโกธในสาวกสันนิบาตอันประกอบไปด้วยองค์สีคือวันมาคบูชาเนี่ยนะนี่เป็นสาวกสันนิบาต เล่ากันว่าในครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ของเรานี้เป็นพราหมณ์ชื่อว่าสุชาตะเกิดดีทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายบิดาฝ่ายมารดาเรียว่าบริสุทธิ์เจ็ดชั่วตระกูลในกรุงรัมมะวดีพระโพธิสัตว์ของเรานั้นฟังพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าโสพิตะตั้งอยู่ในสารณะมอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้า เสร็จแล้วก็ถวายให้มหาทานตลอดไตรามาสสมเดือนแก่พิสุสงอ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานทำบุญสามเดือนนะนะแม้พระโสดพิตรพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็พยากรณ์สุชาตะพราหมณ์ผู้เกิดดีทั้งสองฝ่ายว่าในอนาคตต่อไปท่านจากได้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสเล่าให้ภาษารีบทฟังในพุทธวงว่าในสมัยนั้นเราเป็นพราหมชื่อว่าสุชาตะ ในครั้งนั้นนี่เราได้เลี้ยงดูพระพุทธเจ้าพร้อมักับพระสาวกให้อิ่มหนำสำราญด้วยข้าวและน้ำก็คือถวายปัจจัยสี่นั่นเองพระโสพิตะพุทธเจ้าผู้นำโลกพระองค์นั้นก็พยากรณ์เราว่าท่านผู้นี้ต่อไปในอนาคตจกได้เป็นพระพุทธเจ้าในกับที่นับประมาณไม่ได้นับแต่กับนี้ไปก็รายละเอียดก็เหมือนกับที่เรารู้อยู่แล้ว พระโพธิสัตว์พอได้ฟังพระดํารัสพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็ร่าเริงบันเทิงใจเนี่ยนะแล้วก็สลดใจสังเวทใจได้ประกอบความเพียรอย่างแรงกล้าเพื่อให้ประโยชน์ให้สําเร็จประโยชน์ในความเป็นพระพุทธเจ้าคําว่าตเมวัถะมนุปปติยาได้แก่เพื่อให้เกิดความเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นอธิบายว่า ก็ในครั้งที่เราฟังพระดำรัสของพระโสดพิตะพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่าในอนาคตท่านผู้นี้จกเป็นพระพุทธเจ้าพระนามวโคตมะดังนี้จึงปฏิบัติเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเพราะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระพุทธลัมรัดพระพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีผิดพลาดเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน ก็เลยได้ทําความเพียรอย่างแรงกล้าเพื่อประโยชน์ที่จะให้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าพูดถึงประวัติของพระพุทธเจ้าโสพิตะเพิ่มเติมว่าพระองค์มีเมืองชื่อว่าสุธรรมะพระพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าสุธรรมะพระพุทธมารดาพระนามว่าพนางสุธรรมะคู่อักระสาวกชื่อว่าสุเนตตาและพระอัสมะพระอุปถาพุทธอุปถาชื่อว่าอโนมะคู่อักระสาวิกาชื่อว่า นักุลาและพระสุชาดาโพลึกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระองค์ชื่อว่าต้นนาคะพระสรีระสูงห้ดศอกพระชนมาายุ 90,000 ปีพระอัครมเหสีของพระองค์ชื่อว่ามักกีลาโอรสชื่อว่าศรีหกุมารสนมหน้าตานารีประมาณ 17,00 นนางครองคารวาสวิสัย900าปีออกพิเนสกรมพร้อมกับปราศาสอุปถาของพระองค์ชื่อว่าพระเจ้าชัยเสน ข้อความในตอนสรุปบอกว่าป่าใหญ่มีดอกไม้บานสะพรั่งอบอวนด้วยกลิ่นหอมนาน า, นานชนิดฉันใดป่าพุทธคำสอนของพระโสพภิตาพุทธเจ้าก็อบอวนหอมหวนไปด้วยกลิ่นคือศีลฉันนั้นเหมือนกันขึ้นเชื่อว่ามาหาสมุรอันใครๆไม่อิ่มด้วยการเห็นฉันใด ปาพ์คือคำสอนของพระโสพิตพผู้เจ้าใครใครฟังก็ไม่อิ่มด้วยการฟังฉะนั้นเหมือนกันนะอย่างที่พระนางโคตมีกล่าวว่าว่ามีหูแต่ก็ไม่เคยอิ่มในการฟังธรรมมีตาก็ไม่เคยอิ่มในการเห็นรูปของพระองค์ใจเท่านั้นแหละที่อิ่มในกุศลธรรมอิ่มในมรรคผลที่ได้ตรัสรู้ตามธรรมนะนะ ในยุคนั้นมนุษย์มีอายุ9 0้าหมื่นปีพระโสพิตะพุทธเจ้าพระองค์นั้นเมื่อทรงมีพระชนมายุยืนอย่างนั้นจึงทรงยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอคะสงสารพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระสาวกประธานโอวาทานุศาสตร์กรวะว่าตามคาสอนด้วยทั้งโอวาทโดยย่อและโดยพิสดารเป็นต้นแก่ชนที่เหลือ ทั้งพระองค์พร้อมทั้งสาวกก็ดับขันปรินิพานเหมือนดวงไฟไหม้แล้วก็ดับไปนะดวงไฟที่ลุกไหม้เนี่ยนะยังโลกให้สว่างไสวเสร็จแล้วก็ดับมอดไปเพราะสิ่งทั้งหลายคือสังขารธรรมการสร้างบา ร, รมีของพระองค์ก็เป็นสังขารธรรมพุทธคุณทั้งหลายก็เป็นสังขารธรรมสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยนะแต่ว่าพระองค์ได้สาระจากสังขารอย่าง เต็มที่เพราะอาศัยสังขารพระองค์เจริญนิยานิกธรรมธรรมที่นําออกจากทุกขยึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าผู้เสมอเหมือนเหมือนกับพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนกับพระองค์พระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่เสมอกันชนเราอื่นไม่มีเสมอพระองค์พร้อมทั้งพระสาวกผู้ถึงกําลังเนี่ยนะพระองค์ผู้มีกําลังกายกําลังศีลเป็นต้น ทั้งนั้นทั้งหมดสิ้นก็อันตรธานสิ้นไปสังขารทั้งหลายว่างเปล่าแน่แท้พระองค์ก็ปริณิพานเพราะสิ้นอุปาทานพระอุปาทานดับพบจึงดับพระพบดับชาติจึงดับพระชาติดับชรามรณะโซกะปริเทวทุกโทมนัสและอุปาญาตจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวลก็มีด้วยประการ อย่างนี้นะพระองค์ก็ทำถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วอันบุญกุศลที่เราได้ยินได้ฟังก็จงเป็นไปเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ตามพระพุทธเจ้าเหล่านั้นพร้อมทั้งสาวกด้วยกันนเะชาานี้ก็ใช้เวลาเท่านี้ก่อน